เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใช้สิกขมาณาให้บีบนวดในสิกขาบทที่แปดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโลมะสมุดฐานละ